เิดย้าทถึงเยื่องของความร่มเย็นเทียเเเท่ยว ท, ทางพุทธศาสนาที่จะให้ความร่มเย็นาก่ผู้มาอาศัยเฉพาอย่างยิ่งคือนักบวชได้จจกครบปฏิบัติของพระ คือการปฏิบัติทุกๆ ก, กประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบวดจะควรบำเพ็ให้เป็นขึ้นภาในตายและใจทั้งหมดปฏิบทาเครื่องดำเนิน ทุกเจอคือนักบวชคือพวกเราได้ดำเนินูีเป็นประันเรื่องแล้วจะเป็นอุบายิธีที่จะทำความร่มเย็นแก่ตนเองและเหนือคณะและเป็นเครื่อง สัก็่อทิ้งมืองบั้ายหนยให้ควัหมดขึ้นไปได้โดยลำดับเพราะข้าตปฏิ่ัติแต่รับต่อเพศเราอยากเข้าใจว่าพระศาสนาคิดธรรมะคำสอนขอ ง, ง, ง, ง, งพระพิทธเจ้า จะให้ความเลื่อนเย็นแก่บกคคลนะครับเพื่อทั่วไปโดยท่านไหลนั้นไม่มีความสนใจใครจะหาเหตุผลอันถูกต้องตามหลัก ทำของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นความร่มเย็นาก่ตนเองหากธรมะคือธรรมะขาที่ร่มเย็นได้ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลและสัตว์ทุกประเภทโดยไม่มีวงจำกัดและ กาจนาของพระพุทธเจ้าทุก ๆ, ๆตัวเองปรากฏว่ามีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานเป็นไม่มีใครสามารถจะนับได้โลกที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ซึ่งเป็น ทีเ่เป็นสถานแห่งพทะศาสนาั้งพระพุทธเจ้าทรกลูกพระองค์ก็ควรจะรับความเริ่มยินทั่วถ <c oughs> ึงกันและสามารถจะพ้นจากทุกไปได้โดยทั่วหนากันแต่นี้เพราะเหตุใดผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็มีผู้โง่ที่สุดก็มี ผู้ฉลาดที่สุดคนซึ่งมีละคนกันอยู่ภายในโลกนี้ ท, ท, ทั้งๆที่ภาษาศาสนายังมีอยู่และสืบทอดกันมาเป็นบัมบัตจนถึงภาษาศาสนาของพระพูดพททุทธาจ้าของหลักทั้งนี้เนื่องจากกาปรปฏิบัติตนเพื่อความร่วมเย็นในภาษาสนา ไม่ใช่เพราะภาษาสนามีขึ้นในโลกแล้วโลกนม้จะไม่สนใจใครต่อการปฏิบัติจากภากษาสนาก็จะกลายเป็นความเริ่มยินขึ้นและไม่ผลก็จากใจถึงเป็นเป็น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผังจินตัดในยะบุคคลมีสี่จำพวกคือปติตันดีวริปติปันดีในยะสัพธะประมะภูมตปีสายเสือกาสามารถเป็นที่คือประเททึ้ีเพียงพระพุทธเจ้ารง แย้มธรรมะออกมาเท่านั้นก็สามารถจะรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมะของพระองค์ได้โดยเที่อถึงและสามารถยังประโยชน์จากธรรมานั้นให้เข้าถึงจิตใจจนปรากฏ เป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความอุดคในประเภทที่สองเป็นผู้ลองยังมาจากประเทศที่หนึ่งในเมื่อพระเภทธเจาได้ทรงที่แจงให้คงพร้อมได้หลักเหตุผล ก็สามารถจะเข้าใจไปได้เป็นนิน่และสามารถพิจแข่ง ท, งทงั้งตลอดในธรรมที่พระองค์ทรงี่แจสั่สงสอนอยู่เสมอจนสามารถทนตักทุกไปได้โดยึ้นเพงเพื่อนเดียวกังกัเราเพศข่้นเราเทศที่สาม เป็นประเทศที่ดีกับชั่วเยอปุนตันเดแต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่จะได้คุณค่าเสียทีเดียวเมื่อได้รับการแนะนำข้ามสอนจากพระพุทธเจ้าและจากพระธรรมที่ไม่สงกระฐานไม่เหล้วหลายครั้งหลายหน ตั้งใจฝึกฝนประมาณตนให้เป็นไปตามพระอวาตรคำสอนยอมจะเข้าใจเป็นลนำดับและสามารถรื้อถอนตนให้ค้นจากลุกทุกข์ไปได้โดยขินเชิงเช่นเดียวกับประเภทที่หนึ่งที่สองแม้ผู้จะไม่สามารถถึงขนาดนั้นผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติ ย่อมมีประจานนไม่ล้ายคุณค่าไปเสียทีเดียวส่วนปะทะประมะคือประเภทที่สี่นั้นเป็นประเภทที่มืดทั้งกลางวันกลางคืนไม่สามารถจะเข้าใจในข้ออัดข้อทำและไม่มีความสนใจต่อพระศาสนา ไม่มีความสนใจต่อความดีความเพืว่ว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่แต่การสนใจในการกระทำโดยมากก็เป็นทางต่ำที่จะพอกูณความมืดหนาความหยากท่าของตนนั้นเป็นนิสัยของคนประเภทนี้จะต้องทำเป็นประจำตลเสมอ นี่คือประเภทที่ไม่สามารถจะเทิดทูนพระศาสนาและยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยนำงาบเหมือนประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าจะเทียบกับโรคแล้วเรียบว่าโรคไม่ฟังอย่าตั้งหน้าที่จะกำเริบเป็นลำหนับจนถึงความแตกสาลายเพราะ โรคประเภทนั้ น, น, นโดยถ่ายเดียวการที่พระพุทธเจ้าทรงกลับไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าธรรมะย่อมมีเขียดแดงควรแก่ผู้เช่นไหลเช่นเดียวกับนายแพทย์และยาซึ่งจะสามารถรักษาได้ในบุคคลบางประเภท ไม่เด็ดทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระโพ ธ, ธิจารนี้จะให้ความร่มเย็นแก่โลกในส่วนรวมข้อตางแต่เมื่อแยกประเภทแล้วย่อมมีผลหนักเบาต่างกันด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติและความสนใจของแต่ละลายละหล่ะ เมื่อย่นธรรมะและบุคคลเข้ามาสู่ตัวอของพวกเราแล้วก็ย่อมจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้นคือขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับพ่อปฏิบัติขึ้นอยู่กับความโง่ความเจาดที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติและรู้ ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่ไหนาที่เรามาทั้งนี้เรียกว่าเหตุที่จะทำความร่มเย็นให้เรานับแต่ความร่มเย็นขั้นต่ำจนถึงความร่มเย็นขั้นสูงสุดคือวิมุทคณิพัานดังนั้นขอให้ทุกๆุกท่านโปรดได้ทำความสนใจตออตนเอง เพื่อจะได้น้อมกายบาดใจของตนให้เขาแนบสนิท ก, กับหลักธรรมของพระพุทธเจา้าโปรดยาได้นำหลักธรรมหรือน้อมหลักธรรมของเนียวหลักธรรมของพระพุทธเจา้าขึ้นมาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเอาตามตามอําเภอใจของตนธรรมะจะไม่มีคุณค่าอันใด สำหรับผููเช่นนั้นขณะที่เรามาศึกษาโปรดทาความศึกษาจากหมู่เพื่อนเนตครูอาจารย์อยู่เสมอ ข้อสำคัญต้องพยายามดัดแปลงตนลงไว้ในฐานะอันต่ำโดยทางใจนั่นแหละเป็นการดีอย่าให้ความสำคัญว่าตนชละเคือแฝงขึ้นมาภายในใจจะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาในใจเหล่านั้น โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกและทุกขณะโปรดทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักศึกษาทุกทุกด้านที่จะเข้ามาสัมผัสทางตาทางหูทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางจมูกลิ่นกายใจของเราให้ถือว่าเป็นครูสอนเราทั้งนั้นทั้งดีและชั่วที่เราจะต้องพยายาม อถอนปล่อยวางด้วยปัญญาของถ้าความฉลาดโดยความสำคัญเอาเฉยเฉยได้แสงขึ้นมาภายในใจแล้วจะทำคนผู้นั้นให้น้อยลงทั้งข้อปฏิบัติ ทั้งด้านสติปัญญาภายในใจแม้ที่สุดสมาธิหรือปัญญาที่กำลังก้าวไปอยู่ก็จะหยุดชะงักหาทางก้าวไปไม่ได้จะกลายเป็นความจนจนมุมภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเพราะความสำคัญว่าฉลาดนั่นแหละเป็นอุปสรรคเครื่องจีดขวางทางดำเนินของตนนี่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นคำว่าเราจรึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เสมอว่าอัตตาอัตตามีหลายประเภทประเภทหยาบรลางละเอียดจะมีอยู่ภายในดวงใจของเราทุกทุกทันคำว่าเราจรึงเป็นของมีอำนาจในเมื่อใครได้ส่งเสริมเราขึ้น ตัวของเราทั้งร่างนี้จะเป็นเช่นเดียวกับภูเขาไม่มีใครสามารถจะไปดัดแปลงภูเขาเช่นเดียวกับดัดแปลงสิ่งอื่ลนลักษณะของคนที่ทำตัวให้เป็นภูเขาเพราะอำนาจแห่ง คำว่าเราเป็นตัวเหตุแล้วย่อมจะไม่สามารถดัดแปลงตนให้ไปในทางที่ดีได้แม้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถจะแนะนาได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่หนาแน่นและใหญ่โตมากกว่าสิ่งใดๆสาหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาเพื่อการดัดแปลงตนเองให้ขึ้นสู่ระดับ ัสูงจึงควรสำเนียบรือสนใจในคำว่าเราอย่าให้เป็นใหญ่กว่าเหตุผลทุกๆด้านแม้ใครจะว่าเราผิดซึ่งเป็นสิ่งจะควรเสียใจเราอย่าปล่อยให้เรานั้น เข้าไปแฝงในสิ่งนั้นจะกลายเป็นความผิดเพิ่มขึ้นมากกว่าความผิดที่ควรจะได้รับนี่เป็นเรื่องสำคัญและการปฏิบัติเราจะไปคาดอนาคต จะเป็นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตามจะเป็นสถานที่นั้นนั้นก็ตามโปรดให้ดูตัวของเราในปัจจุบันว่าขณะนี้มีความบกพร่องที่ตรงไหนในด้านการปฏิบัติทางกายและทางวาจาตลอดถิ้งความคิดภายในใจอันเป็นตัวเหตุตัวผลจะทาความบกพร่องและสมบูรณ์แก่ตนเองอยู่โดยเฉพาะนี้ โปรดได้ทำความสนใจต่อจุดนี้ให้จงดีเรื่องความบกพร่องจะค่อยปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาที่กายมาจาใจของท่านคุณนะั้นย่งผลจะพึงได้รับเป็นลำดับลำดับเนื่องมาจากความสนใจต่อความบกพร่องของตอนนี้ก็จะค่อยอยเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกัน เพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าอสิ่งอื่นใดและการใัความโง่ความฉลาดความดีความชั่วโปรดได้ทราบว่าไม่ได้อยู่ในการสถานที่อื่นใด น, นอกจากจะอยู่กับวงปัจจุบันคือตัวของเราที่ปรากฏอยู่ณบัตินี้เท่านั้น ฉะนั้นการแก้เรื่องทั้งนี้จึงควรจะทำความสนใจลงในจุดปัจจุบันที่ทำความเคลื่อนไหวต่อตอนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกดีทั่วเราจะได้เห็นช่องทางการแก้ไขความบกพร่องซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวงปัจจุบันคือการมาจากใจของเราเป็นลำดับเรื่องความสมบูรณ์เมื่อความบกพร่องใน ผูกแก้ไขเป็นลำดับไปแล้วจะปรากฏตัวขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยการจะปฏิบัติไปข้างหน้าคืออนาคตคือเดือนหน้าปีหน้าหรือสถานที่ใดๆ จะให้เป็นไปเพื่ความจเจริญแก่ตนเองโปรดได้ดูหลักคือตัวเหตุสำคัญได้แต่ตัวของเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในสถานที่นี้ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติตนเองในสิ่งที่บกพร่องเราจะไปที่อื่นใครจะเป็นผู้สามารถ เราพยายามแก้ไขความบกพร่องที่มีอยู่กับตัวของเราได้ด้วยความสนใจของเราทุกขณะนี่แล้วจะไปอยู่สถานที่ใดเวลาในก็ตามภูนั้นย่อมจะมีความเจริญอยู่ภายในตัวเสมออยู่ที่นี่ก็ดีวันนี้ก็ดี วันหน้าก็ดีสถ า, านที่อื่นก็ดีถ้าเราได้รู้หลักฐานแห่งการปรับปรุงตนเองว่าจะควรปรับปรุงที่ตรงไหนแล้วฉะนั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาศึกษาโปร์ทำความสนใจต่อมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์และตนเอง อย่างเต็มที่ซึ่งเห็นมากส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองพยายามดัดแปลงตนเองจนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันกันกนกบหลักพระธรรมวินัยของพระพธธุทธเจ้าที่หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์พาดำเนินมา เมื่อความเคยชินได้กลมคืนกันกับนิสัยของเราแนไปที่ไหนจะเป็นความสะดวกการปฏิบตัติถ้าไม่มองดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเหตุทั้งทางดีและทางทั่วแล้ว จะหาความเจริญได้อยากไปที่นี่ก็จะตำหนิที่นั่นไปที่นั่นก็จะตำหนิที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่ดีเพราะเรามองนอกเกินไปคิดจากลักความจริงแข่งทมที่พระองค์กัดไว้ เราต้องมองดูตัวของเราเสมอการดัดแปลงตนเองให้ถือว่าเป็นสิทธิอำนาจหรือหน้าที่ของตนไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถมาดัดแปลงตนเองได้เช่นเราดัดแปลงตนเองอีหลักสำคัญ ฉะนั้นขอให้พากันทำความสนใจในตัวของเราแต่และท่านละท่านจะเห็นว่าความผิดถูกจะปรากฏขึ้นจากที่อื่นนอกจากตัวของเราแต่และหลาย ล, ลาย้นถ้าเราทำความเข้าใจไว้เช่นี้แล้วการจะแก้ไขความทั่วและการจะบำรุงความดี จะเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่ต้องอิดเอื้อนไปตามการสถานที่และบุคคลใดๆเพื่อมาปลดเรื่องหรือแก้ไขให้เราเราพยายามฝึกหัดสติปัญญา ให้เป็นองค์ความเพี่ยนขึ้นมาภายในใจของเราไม่ได้ในสถานที่นี้แล้วสถานที่อื่นสถานที่ใดจะไม่เป็นสถานที่ร่มเย็นเพื่อเรานอกจากวิธีฝึกฝนอบรมตนเองด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อได้รับโอวาจากคูว า, าจารย์มาลย คำว่าสัจธรรมคือของจริงทั้งสี่ประการเราจะไม่ไปหาที่ไหนมาเพิ่มเติมเมื่อความตนใจและความเพียรของเรามีเพียงพอภายในตัวของเราแล้วเดินไปที่ไหนมาที่ใดจะมองเห็นแต่อริยสัจเต็มไปหมดทั้งตัว ทุกครังเคดให้โอกาสกับบุคคลและสัตว์ลายใดบ้างมาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีความทุกข์เ ด, ดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นเอกราชในโลกอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี้และธรรมาไตรลักษ์ได้แก่อริจังอริจังทุกขังอ น, นัตานนนนนตา ได้เคยเป็นภาชนะหรือเป็นอาสนะสำหรับรับรองให้บุกคนผู้ใดสัตว์ตัวใดได้เหยียบย่ำไปบ้างไม่เคยมีเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาในโลกขันอันนี้แล้วต้องเป็นไปตามสภาพแห่งหลัก ของอริยสัจและไตรลักษณ์ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะมองลงไปที่นี่แล้วไม่พบสัจธรรมที่กลางล่ะพวกขังเต็มไปทั่วทั้งโลกประกาศอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่การไห น, ไหนทำไมจึงจะไม่สะดุดใจของผู้มีความเพียร ที่ตั้งไว้แล้วทุกครั้งไม่เคยปล่อยช่องปล่อยโอกาสและไม่เคยขาดวักตอนไปจากความจริงของตนติดเพื้อดูพาในกายกับใจของบุคคลและสัตว์ทุกๆลาย อยู่ตลอดเวลาทําไมจะไม่สามารถรู้ในเรื่องสัจจะมีทุกขสัจเป็นต้นที่ประกาศอยู่ภายในตัวของเราได้พูดรับความรู้สึกจากสภาวะเหล่านี้ก็ไม่เคยขาดว่าขาดตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกันกบสัจจะคือทุกขสัจนี้อยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจึงจะไม่ทราบว่าทุกขังที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่าน สัตว่าเป็นความจริงพระจักใจของเราบางเราคำว่าสัจจะนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผิดจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่น้อย mm. และผู้จะปฏิบัติตรวจกรองดูเรื่องทุกขสัตว์โดยทางปัญญาเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมขึ้นมาสำหรับพวกเรา โปรดพิจารณาดูภายในกายของเราเท่านั้นก็จะทราบทัดว่าเต็มไปด้วยภุกิคสัต์ทั้งข้างบนข้างล่างรอบตัวและรอบจิตใจด้วยนี่คือตัวผลที่ปรากฏเป็นนิบฉากระขันขึ้นมาจากต้นเหตุคือพกชาติที่เนื่องมาจากอวิชชามาเป็นผลปรากฏอยู่กับร่างกายของเรา นับแต่วันตกครอดออกมาจนกระทั่งวันอาวาสานแห่งธาตุขันธ์นี้จะแตกทำลายสถานีแห่งการหยุดของทุกข์สัตว์จะไม่ปรากฏในที่ไหนๆ น, นอกจากจะก้าวเดินไปตามเส้นทางของตนตลอดเวลา จนถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายแห่งขันอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกนี้เท่านั้นจะไม่มีสถานีที่หยุดที่จอดพักของทุกเลยว่าเวลานี้ทุกได้พักได้จอดสถานีแล้วไม่ได้เที่ยวเพ่น่านไปทาําลายคจัดและบุคคลให้รับความเดือดร้อนพวกเราทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกาสบายใจไม่เคยปรากฏเพราะสถานีของทุก เป็นที่จอดพักไม่มีมีแต่ทํางานอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของบุคะคละนั้นภูมีปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงมีแล้วเหตุใดจะไม่สามารถรู้เรื่องความจริงแล้วถอนตนออกมาจากสภาพของความจริงนั้นกลายเป็นความจริงอื่นอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจโดยเด่นชัดเรามีเรื่องของทุกข์ อธิบายขนาดนี้ท่านผู้ฟังพอจะเข้าใจว่ามีอยู่รอบด้านในตัวของเราส่วนแห่งอวัยวะทุกทุกอาการเป็นเส้นทางเดินของทุกข์สัตว์ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางของทุกได้ทั้งนั้นและเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้เรื่องของทุกข์ที่ดําเนินตามเส้นทางของตนของตนโดยทางปัญญาของนักปฏิบัติเรา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่พระองค์เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราได้พบพระองค์ท่านขี่พระองค์และได้เคยดําเนินตามท่านมากี่ครั้งมาปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีโอกาสทราบพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเสด็จอยู่ที่ไหนเราได้พบได้เห็นท่านหรือเปล่าแม่ที่สุดธรรมะที่ประทานไว้นี้เป็นหลักความจริงล้วน แล้วประกาศตังวานอยู่ภายในกายในใจของเราเราก็ยังไม่มีโอกาสจะสามารถทราบแล้วเราจะมีโอกาสไปทราบไปพูดที่เจ้าที่กรุงไหนเวลาใด ห, หลักที่ประกาศทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วประกาศไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดําเนินตามทางสายนี้เพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ไปตามไปตามพระองค์ท่านให้เดินทางตามสายอริยสัจ ทุกขังดูให้ชัดให้เห็นเรื่องความทุกข์อย่างจริงใจประจักษ์ตามเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นความความจริงอย่างเต็มที่เหมือนกันส ม, มุ ท, ทยัยคือเหตุที่จะสามารถ ผิดผลคือทุกข์ขึ้นมารู้ที่ดวงใจของเราก็รู้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางใจก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายเรื่องสมุทยัยที่ดําเนินอยู่ภายในใจก็เช่นเดียวกันไม่มีสถานีเป็นที่จอดที่แวะพัก น, นอกจากจะ กินอยู่หลับนอนอยู่บน ห, หัวใจของคนและสัตว์ผู้มีสมุทรไทยเท่านั้นไม่มีสถานีที่จอดที่พักพอที่ทใจใจของคนและสัตว์ได้เด็ดเท่นผ่านทาความสะดวกสบายว่าสมุทรไทยได้หยุดจอดหรือแวะพักอยู่ในที่นั้นนั้นไม่สามารถจะมารังควนันหรือทําลายเราได้อีกแล้วเราจะได้เที่ยว จินอยู่หลับนอนด้วยความสะดวกการสมายใจนีก็ไม่เคยมีอีกเหมือนกันเพราะเรื่องหัวใจนั่นเองเป็นเรื่องของสมุทัยอยู่แล้วความคิดทุกระยะที่ได้ปรากฏตัวออกมาร้วนแล้วจะออกมาจากเรื่องของเป็นเรื่องของสมุทยัยออกมาจากหลากฐานคือดวงใจที่เป็นนากเงาแห่งมัตต์อยู่โดยตรง เมื่อใดกําหนดพิจารณาเข้าไปที่นี่ทําไมจะไม่ทราบเรื่องของสมุทยัยเรื่องของสมุทัยก็คือเรื่องของเราผู้ที่ผิดขึ้นมาแตเองเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นตัวกิเลสเราเป็นตัวสมุทยัยใครจะเป็นคนผิดทุกขึ้นมานอกจากเราคนนี้ผู้เป็นตัวสมุทัยอยู่ขนาดนี้เท่านั้ คำว่าศีลสมาที่ปัญญาที่จะเป็นเครื่องแก้คุกแก้สมูทยเราจะหามาจากที่ไหนอีกนอกจากจะปรากฏขึ้นที่กายที่วาจาใจของผู้มีความสนใจใครต่อมรู้ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะกลายเป็นกายวาจาใจที่เป็นมรรคขึ้นมาภายในผู้นั้น สติกับปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บงการในงานต่างๆก็มีอยู่กับใจของเราเมื่อได้กรวดกรองลงไป ตามจุดของสมูทยัยที่ปรากฏขึ้นจากใจเหตุใดจะไม่ทราบเพราะสมูทัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลักธรรมที่พระพธธุทธเจ้าทรงตรทานไว้แล้วแม้แต่น้อยเช่นเดียวกันกับเครื่องของถุกแม้ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันต้องเป็นธรรม เครื่องแก้ทุกข์อยู่นั่นเองตลอดการในไห น, ไหนเมื่อเราได้นำมาดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งโจวขาธธรรมแล้วเรื่องของสมูทัยจะทนอยู่ไม่ได้ภายในหัวใจของเราแต่ละท่านละท่านจะต้องถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิงพระอำนาจของสติและปัญญาที่ประกอบเข้าเป็นองค์แห่งความเปลี่ยนของผู้สนใจ ในเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลจะไม่ปรากฏเท้าลนหัวใจของคุณนั้นนับแต่วันสมุทัยได้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งมากคือสีนสมาพิปัญญาได้ทำการรื้อถอนหมดแล้วคำว่านี่โลทะคือความดับทุกข์เราไม่ต้องไปหาที่กรุงไหนขอแต่สติกับปัญญามีความสามารถถอดถอนต้นเหตุคือสมุทัยออกได้เท่านั้น ทุกดับไปขณะไหนนิโรธะก็ปรากฏขึ้นมาในระยะหรือขณะเดียวกันนั่นเองเป็นลําดับลาดับของทุกข์ที่ดับไปสโมยไทยดับไปอย่างเต็มที่ทุกข์ก็ดับไปอย่างเต็มที่นิโรธะก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนี่อริยสัจ ท, ทั้งสี่นี้ ไม่มีความบกพร่องในตัวของเราพอจะเป็นผู้มีวาสนาน้อยไปหาควาสัจะมาจากที่อื่นแต่การกราดทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความฉลาดของผู้จะสนใจใคร่ตอคุณธรรมของพระ พ, พุทธเจ้าแสวงหาได้ในที่ต่างๆมาเป็นเครื่องประดับตนและแก้ไขตนเอง เพราะคำว่าภายนอกกับภายในนั้นเป็นธรรมะคํา ส, สอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นฝ่ายดีก็เป็นหน้าฝ่ายชั่วก็เป็นหน้าเพราะทุกสมุทัยเกี่ยวเนื่องได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเดียวกับโจรแม้อยู่ในบ้านนี้เทารักลักของหรือขโมยของในบ้านนี้ก็ได้เขาไปขโมยของในบ้านอื่นก็ได้ในที่อื่นไกลที่ไหนเขาก็ได้ลักษณะของสมุทัยก็ เป็น ไ, ปได้ทั้งใกล้และไกลและเรื่องของมักก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนดีก็ไม่ใช่จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเป็นคนดีอยู่ในบ้านก็เป็นคนดีไปไหนไปได้เหมือนกันกับคนชั่วเพราะฉะนั้นเรื่องของมักจึงสามารถที่จะทําหน้าที่ถอดถอนจิตเดชเพื่อตอนเองได้ทั้งภายนอกภายในเมื่อเป็นชนนี้เรื่องภายนอกภายในจึงไม่เป็นอุปสรรคต่ อ, อการบําเพ็ญของผู้ มีความเพียนขอให้พากันทำความสนใจต่อความเพียงเพื่อถอดถอนตนเองยาทำความเคยชิน สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเนินช้าเราจะทำความเคยชินต่อตัวเองอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความนอนใจจะถอนตัวไม่ขึ้น โลกนี้เคยเป็นโลกมานานเราก็เคยเป็นเรามานานเคยเป็นโลกมานานเราได้เคยแปลกจากตัวของเราที่กลุงไหนมั่งเมื่อเราไม่แปลกจากเราที่กลุงไหนแล้วเรากับโลกจะแปลกกันที่กลุไหนพอจะทำความประหมาอนอนใจและติดมั่นในสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเราและเรื่องของเรา มีสติอยู่กับตัวแล้วนับวันจะเป็นผู้มีความฉลาดภายในตัวเองความรู้สึกทุกขณะที่เป็นแต่อยู่ภายในใจจะไม่เป็นโมฆะสำหรับท่านพุ่นั้นจะเป็นความเพียงอยู่ตลอดเวลาในเมื่อความรู้สึกกับสติได้มีความติดต่อกัน ใจที่หาความสงบไม่ได้และหาความแยบภายภายในตนเองไม่ได้เนื่องจากใจที่ขาดสติสติไม่ติดต่อปัญญาก็ไม่ก้าวเดินความเปียนก็เรียกว่าขาดว่าขาดตอนเพราะเหตุห็นความขาดสติเป็นหลักสำคัญสัจธรรมแม้จะไม่มีเต็มทั้งโลกก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้ โดยทางปัญญาอาญาจัตก็กลายเป็นโมฆะสําสหรับเราไม่เป็นประโยชน์อันใดาจากอาญาจัตที่ท่านกล่าวว่าเป็นของประเสริฐเราจะไม่รับความประเสริฐอะไรจากสัจจ์ความจริงนี้เพราะฉะนั้นตรงพยายามขุดค้นดูหลักความจริงที่พระพุเทธเจ้าว่าประเสริฐได้แจกคุกสมุทัยนิโรธมาให้ประจักษ์กับสติปัญญาของตน สติกับปัญญาก็จะกลายเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับจากสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐนั้นจะกลายเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศขึ้นมาภายในจิตใจของเราทั้งๆที่กําลังโง่อยู่ขณะนี้และกําลังไร้คุณค่าอยู่นั้นบัดนี้จะกลายเป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะอํานาจของสติกับปัญญาสัมพันธ์เท่าเป็นความเขียนติดต่อภายในบุคคลเท่นั้น ท ก, กดีสมุทัยก็ดีธรรมาตรายลักเพียรนิจังทุกขังน้าตาก็ดีตรวได้ทราบอยู่ในเรื่องอยู่ในตัวของเราสติกัญญาก็ให้ตรัสต่องลงไปที่นี่เราอย่าไปฝื้นคติธรรมดาอย่าไปฝื้นหลักความจริงของพระโพธเเิจารที่สอนไว้และฝืนหลักความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏตัวอยู่ ให้ดูตะเห็นตามหลักความจริงที่ปรากฏตัวอยู่นี้ทั้งเป็นด้านไตรลักษณ์ทั้งเป็นด้านทุกข์กับสมุทยัยดูสี่ดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปดูเข้าไปโดยทางด้วยปัญญาเราจะเกิดความสลดสังเวชภายในตัวของเรา ยิ่งหลุดทั้งเวชเพราะเหตุของการเห็นสิ่งดีหนึ่ทนเดียวกันเป็นความเห็นที่จะถอดถอนภูเขาทั้งลูกที่เราได้แบกได้หามอยู่ภายในกลุ่มของเราคือประาานแบกเราทั้งตัวคําว่าเรานี่จะมีทั้งกายทั้งใจนอกจากนี้แล้วยังจะมีอีกจึงได้ที่เกี่ยวข้องกับเราจะกลายเป็นภาระมาเพราะความโง่ของเรานี่เอ เมื่อะติกับปัญญาได้สอดส่องลงไปที่นี่ความรือถอนจากภาณะที่เคยกด